ปันการต่อมาพระเจ้าปรสคมหาราชทรงมีพระราชปะสงค์จะทรงกระทำ ม, มหกรรมการฉลองพระสถูปเจดีย์ทั้ง8ป4 0 0นองค์ทุกๆพระนครทั่วชมพูทวีกับทั้งพระมหาสถูปนั้นด้วยจึงได้ทรงคิดว่าเราจะกระทาการฉลองพระสถูปเจดีย์ทั้งหลายให้ครบกำหนด7ปี7เดือน7วันให้เหมือนกับที่พระเจ้ า, าชาตศัตรูรม จึงจะสมควรกับศรัทธาภาษาทะของเราคือมีศรัทธาอย่างยิ่งจะบูชายอย่างไรจึงจะให้สมกับความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าก็ต้องทำให้มากแล้วที่ทำอย่างไรจึงจะไม่มีอันตรายในการบําเพ็ญกุศลครั้งนี้นานนะเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจดวันจะมีอุบายวิธีประการใดบ้างที่จะช่วยป้องกันอันตรายได้ทางที่ดีก็จะต้องไปถามเหตุผลกับพระอริยะสงฆ์ เมื่อทรงจินตนาการดังนี้แล้วก็ไปสู่วัดแลด้วธรรสการพระพิสุสงฆ์ทั้งปวงได้จัดกับพระโมคขลีบุตรติดสะเถระท่านเป็นพระหันนะที่ทำสังคยานาครั้งนี้เหมือนกันแห่ครั้งขราเจ้าโศกเนี่ยคือมีพวกคนมาบวชเองบวชเองนะโกนหัวนุ่งห่มเองแล้วบอกฉันเป็นพระนะเป็นจำนวนหมืนม่นๆมื่นเพราะว่าพระเจ้าโศกเลี้ยงพระอย่างสูงสุด มีอะไรถวายพระทั้งนั้นนะมีข้าวมีของมีอะไรต่างๆเนี่ยให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นอย่างมากเพราะนั้นพวกศาสนาอื่นก็เออเราอยากจะทำไงดีเนี่ยจะได้กินฟรีอยู่ฟรีบวชใหเองเลยนะโกนหัวเองถือบาทเองไปเที่ยวบิณฑบาตเพราะฉะนั้นพระโมคคริบุตรติดสเทละไม่ลงสังฆกรรมไม่ทำสังฆกรรมสิบสองปีนะไม่ยอมร่วมด้วย จนจะต้องทำสังขยณาครั้งที่สาสังยนานครั้งที่สจัดการให้พระเจ้าโสกเนศึกซะตั้งหลายหมื่นรูปเพราะนั้นพระเจ้าโสกจึงนับถือพระโมคคิริบุตรติสะเทละนี่มากก็มาถามว่าคาแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญขอช่วยค้นหาพระภิกษุผู้มีฤทธานุภาพมากที่จะมาป้องกันอันตรายในงานมหากรรมการบู สักการะบูชาฉลองพระสถูปเจดีย์ของโยมที่จะจัดให้มีขึ้นถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันในครั้งนี้ให้แกโยมด้วยเถิดขอขอพระภิกษุทผู้มีฤทธิ์มากสักหน่อยหนึ่งถ้าสมัยนี้ก็จะไปขอที่ไหนดีอนนียนะจะไปขอพระภิกษุผู้มีฤทธิ์มากที่ไหนดีแต่นะผู้มีมายามากก็ขอได้เยอะเลยนะ พระโมคขลิบุตรติสะเทระได้ฟังพระราชดำหลัดแล้วถวายพระพรว่าถวายพระพรมหาปพิธพระราชสมภารพระราชบริวิตตกของพระมหาปพิธนี้อาตมาภาพจะขอรับภาระธุระแสวงหาและเลือกพระภิกษุผู้ทรงอิทธิฤทธิมาช่วยกันในการกระทำมหากรรมในครั้งนี้ขอถวายพระพรพระเจ้าโสกก็กลับไปพระสงฆ์ก็ร่วมกันพิจารณา หาเหตุที่จะเป็นอันตรายในการบำเพ็ญ ร, ราชคุศลของพระเจ้าอาโศกครั้งนี้ก็ได้เห็นเหตุว่าเอาวหุระพญามารตัวเดิมนะตัวเก่าพญามารตัวเก่าจําได้หรือเปล่า <c oughs> เขาเขาจองเวรพระพุทธเจ้ามานานแ ล, แล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าออกบวชเขาก็มาห้ามเสถียงแล้วโอ้ยจะไปบวชทําไมจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกเจ็ดวันนี่เองพระพุทธเจ้าก็ตอบไปเลยบอกว่าถึงจะเอาทองคํา เท่าภูเขาสองลูกมาให้แก่คนทั้งหลายคนทั้งหลายก็ยังไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มนะไม่มีประโยชน์หรอกกับการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะไม่มีประโยชน์หรอกครับที่จะเป็นนายกนะไม่มีประโยชน์หรอกครับคุณถ้าเป็นนายกคุณก็โลภมากนะแล้วคุณแก้ปัญหาอะไรได้นะก็แก้ไปเพ้อเเจอเจอไปอย่างนั้นเองนะแก้ไม่ได้ปัญหามันอยู่ที่ตันหาคนนะนะตันหาคนเนี่ยมันแก้ ถูกจุดแล้วถึงจะแก้ได้นี่ตัณหาเนี่ยอะไรจะไปชนะมันนะต้องปัญญาต้องให้ปัญญาคนแล้วนะไม่ใช่ปัญญาธรรมดาไม่ใช่ไปเรียนจบดอกเตอร์แล้วจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ให้มือนดอกเตอร์ด้วยนะก็มันไม่มีปัญญานะไม่มีปัญญาที่จะรู้จักตัณหารู้ตัณหาแล้วเกิดอยู่ในตัวเราเองยังไม่รู้เลยจะไปแก้ปัญหาตัณหาใครได้นะเพราะฉะนั้นก็ พระพุทธเจ้าบอกไม่เป็นเราก็มาจากระพัดแล้วก็ออกบวยเขาก็ตามราวีมาเรื่อยเนี่ยตามจ้องมาจนแพ้ไปทุกทีนะครั้งสุดท้ายก็ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตับสรูเนี่ยเข้ามาเลยทำอะไรอะไรต่างๆก็ไม่สามารถทำร้ายพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงมีบารมีสามสิบประการที่สะสมมาคุ้มครองได้ เราไม่ต้องกลัวนะว่าใครจะมาทำอันตรายเราได้ถ้าเรามีบา ร, รมีท้จริงไม่มีทางหรอกที่กิเลสจะมาชนะคุณธรรมได้อะไม่มีทางเปน็นไม่ได้มันของคู่ปรับกันนะไ อ, ปญญ อ, อ้ปัญญาศีลสมาธิปัญญาไอ้บ้างไ่องค์แบบเนี่ยเขามีหน้าที่ฆ่ากิเลสกิเลสไม่มีหน้าที่ฆ่าศีลสมาธิปัญญาไม่มีเพราะฉะนั้นจริงๆพญามารนี่ก็มารนี่ก็คื อ, ค อ, คอกิเลสนั่นแหละนะ แต่ว่ามาอยู่ในรูปของเทวดาหัวหน้าเลยชั้นประดิมิตตเพรา ะ, ะนั้นเขายังตามมาอีกพุทธเจ้าปริพานแล้วเขายังมีโอกาสที่จะมาทำลายได้อีกคือทำลายบัพปรมจารีนิกธาตุทาลายพิธีสักการะบูชาก็รู้ว่าพญามารจะมาทำลายในครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะพญามารเนี่ยฤทธิ์สยาไม่ชอบใจที่เห็นใครมาบูชาความดีของผู้เรเจ้า เพรา ะ, ะนั้นเราอยากเป็นพยาบาลก็ไม่อยากอะไรพยายามทําความริษยาคนอื่นไว้ให้มากๆากแต่ว่าถ้าไม่ทําบุญก็ไปตกกโลกนะแต่ต้องทําบุญด้วยพยามาลเนี่ยคือเขาก็มีบุญด้วยแล้วเขาก็มีไอ้ความริษยามากไม่อยากเห็นใครดีกว่าตนเพราะฉะนั้นจึงได้ตกลงกันว่านะจะต้องป้องกันพยามาล ไม่ให้มาทําอันตรายขัดขวางในการประเพณิ ร, ราชกุศลครั้งนีน้ก็มอบหน้าที่ให้ใครก็พระสังฆเถระสังฆเถระนะพระสังฆเถร ะ, ะ, เะองค์ใหญ่ที่สุดนะองค์ที่มอีอายุมากที่สุดนะท่านก็ปฏิเสธว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพวกกระผมมีกิจธุระมากมายหลายอย่างทั้งร่างกายก็ชะลาทุพพลภาพไม่สามารถป้องกันอันตรายของพญามารได้ถ้าสมัยนี้ก็ต้องประสังฆราชพระสังฆราชไปช่วยหน่อยแล้วกัน พระสังฆเถร ะ, ะตอบปฏิเสธก็ต้องต่อมาอีกครับอ น, นุเถระอะไรมาจนถึงพระภิกษุบวชใหม่ก็ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งรับอาสาจะป้องกันพยามารครั้งนี้ได้ไม่ไม่รู้กลัวหรือยังไงหรือว่าหรือว่าถ่อมตนหรือว่ารู้ว่ามีผู้ดีเขาเป็นคู่ปราบพยามารมีจริงๆนะมีคู่ปราพพญามารเอาละวันแรกไม่ได้วันที่สองพระภิกษุก็มาประชุมกันใหม่ เพื่อจะคัดเลือกหาผู้มีฤทธิดเดชสามารถสู้กับพญามารได้ไม่ใช่ธรรมดานะสู้กับพญามารเนนะี่ยเราไม่ต้องพญามารเราที่ดามานเราก็แพ้ล่าไปแล้วนะที่ดามานนะสามสามนางนางราคานางอลดีนางตันหานะีไม่ต้องไปสู้ก็หรอกเตนามานเราก็แพ้แล้วพอดีก็ในขณะนั้นนะมีพญานาคตัวหนึ่งขึ้นมาจากนาคพิภพ เพื่อจะมา น, นมั ส, ส ก, การพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงแต่ในเวลาที่พญานาคกํากกลังถวายวันธนาการคือไหว้พระภิกษุสงฆ์อยู่นั้นก็พอดีมีพญาครุฑตัวหนึ่งบินมาจากออกจากภูเขาบินมาจากอากาศเหลือบลงแลเห็นพญานาคตัวนั้นเข้าก็มีความต้องการจะจับพญานาค ก, กินจึงบินโฉบลงมาเสียงลมจากปีกพญาครุฑจะดังสนัน่นพญาครุฑเนี่ยังมีอยู่นะ แต่มันไม่ค่อยมาบินผ่านกรุงเทพบ้างหรมันกลัวมลพิษนะนะไม่ไหวหรอกมีอยู่ในปา่าลึกๆในป่าฮิมมาพานเขาบอกว่าแถวๆนี้ยังมีเลยอะไรไอ้ที่เกาะอันนี้ยที่มันรวยๆอยู่เนี่ยนะไอ้เกาะอะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆมาเลเซียเนี่ยเขาว่ามีคนเห็นนะ่ะตัวมันโตไม่ใช่น้อยเนียนกพยาครุฑเนี่ยเดี๋ยวก็นึกออกไปดูชื่อเกาะอะไรอ่ะ ฝ่ายพญานาคได้ยินเสียงนั้นก็รู้ด้วยสัญชาติญาณว่านั่นเป็นเสียงลมปีกพยาคุดก็สะดุ้งตกใจกลัวจะห น, นีชําแรกแทรกแผ่นดินก็ไม่ทันการแล้วจึงหลบก็อยู่ระหว่างเท้าของพระสังฆเถระแล้วร้องว่าขอพระผู้เป็นเจ้าช่วยป้องกันชีวิตของข้าพเจ้าเถิดพระสังฆเถระก็บอกว่าอาตมาไม่อาจช่วยป้องกันชีวิตของท่านได้หรอกพญานาคก็ไปหาพระองค์อื่นอีกนะทุกองค์ก็ช่วยไม่ได้ นในสงฆสังนิบาดนั้นก็มีสามนเณรอาคันตุกะผู้มาใหม่รูปหนึ่งอายุประมาณ7ขวบมานั่งอยู่ที่หน้าอาสนะของพระสงฆ์เห็นเหตุร้ายจะเกิดขึ้นเช่นนั้นพระสงฆ์ก็ถามสามนเณรว่าจะช่วยป้องกันอันตรายให้พญานาคลอดพ้นจากการเบียดเบียนของพญาคุณได้หรือไม่แต่สามเณรก็บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ยังไม่อาจป้องกันได้ ส่วกับผมเป็นเนนเด็กเล็กขนาดจะสามารถป้องกันได้แล้วขอรับพระสงฆ์ก็บอกว่าขอให้ช่วยป้องกันชีวิตพญานาคเถิดสามเณรก็บอกว่าตกลงขอรับกับผมจะช่วยป้องกันพญานาครอให้พญาคุดบินลงมาตำตำนะเขาะมาตําำสักประมาณเท่ากายบุรุษจะไล่ครุดเนี่ยให้ปลิวไปประดุดปุยนุ่นที่ถูกต้องลมยุคคันตวัคือลมที่มันทําลายโลกอนะ่ะ คือโลกเราเนี floor, ouais. so, strong, ่ยจะสิ้นสุดได้ด้วยลมด้วยน้ําด้วยไฟมันจะมีลมอันหนึ่งว่าพัดกระจุยหมดน่ะโลกเลิกเทวดงเทวดาไม่เหลือนะเพราะฉะนั้นก็จะเอาลมมันั่นน่ะพัดเอพยาคุดที่มันบินมาด้วยความแรงเลยนะให้มันปลิวไปพอพยาคุดบินต่ําลงมาไม่ถึงกายของพญานาคเหลือประมาณความสูงเท่ากับร่างกายคนพระภิกษุเห็นสามเณรยังเฉยก็เตือนสามเณรว่า เธอไล่ครุดไปเร็วสามเณรเองก็เข้าฌานสมาบัติเข้าฌานนี่คนชำนาญเขาระลึกถึงอารมณ์นะอารมณ์ที่เป็นเขาเรียกปฏิภาคคณิมิตจะเป็นแสงสว่างพอระ ล, ะลึกปั๊บเนี่ยก็เกิดเลยฌานก็เกิดแล้วก็อธิษฐานได้ฉับพลันทันด่วนอาธิษฐานให้เกิดลมพายุอันไลยแรงพัดครุดให้ปลิวไปนะหายไปเลยครุดโดนลมอันนี้เขาก็ปลิวไปเลย พญานาคเมื่อรอดพ้นอันตรายแล้วก็สรรเสริญคุณของสามมนเนนน้อยว่าข้าแต่สา ม, มนเณนชีวิตของข้าพเจ้ารอดพ้นจากอันตรายได้ในครั้งนี้ด้วยคุณานุภาพของสามมะเนนแท้ๆมิฉะนั้นชีวิตของพระเจ้าก็คงจะม้วยหมอนไปแล้วแล้วพญานาคก็ถวายพิว่าพระพิสุสงฆ์ทั้งหมดแล้วชำรกแผ่นดินไปสู่นาคครัพิภพอันนี้ก็น่าสงสัยความจริงพระโมคคิริบุตรจิตรจิราชมีฤทธิน์นะมีฤทธิ์มากไม่ใช่น้อยๆเลอะ เวลาต่อมาพระพิสุทิ์สงฆ์ก็ถามสามาเณรว่าทําไมทําไมจึงไม่ทำตอนตอนแรกล่ ะ, พ, ะพิพาพิสุทธิ์สงฆ์บอกให้ทําแล้วทำไมไม่ทํามายิ้มซะก่อนนะยิ้มซะอีกไม่ค่อยทําในภายหลังทำอย่างนี้ไม่ควรนะไม่สมควรจะต้องถูกลงธนกรรมแล้วนะนะคือคือพระใช้ก็ต้องทำที่ทําไมต้องมาอิดอดอ ด, อ ด, อดแล้วมันยังมายิ้มซะก่อนอีกอย่างนี้สามาเณรก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะลงธนกรรม แกกับผมประการใดคือลงโทษนะพระภิกษุก็บอกว่าดูก่อนสา ม, มนเณรบัดนี้พระเจ้าอสศกมหาราศจะทรงทำการฉลองพระมหาสถูปเจดี JD, มีกำหนดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็พยามานจะมาทำอันตรายเธอจงช่วยป้องกันอันตรายในครั้งนี้นี่แหละเป็นธนกรรมที่ภิกษุจะลงโทษเธอให้ป้องกันพยามาสมมนนรสามเณรจึงบอกว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้จเจริญ และผมเป็นเพียงสามาเณรอายุและฤทธิ์ก็น้อยไม่สามารถป้องกันอันตรายพยามารได้แต่ผมเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งมีฤทธิ์ยิ่งกว่าผมพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพอใจหรือไม่พระภิกษุรูปนั้นมีอนุภาพล้นเหลือจะสามารถทรมานพยามารให้ปรชาชัยได้พระสงฆ์ก็ถามว่าดูก่อนสามาเณรพระภิกษุมีอนุภาพนั้นนะอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ในหมู่พวกเรา พวกเราทั้งหลายเนี่ยมีความละอายต่อพระราชายิ่งนักเพราะว่าหาพระภิกษุผู้มีอิจิาถวายแด่พระองค์ไม่ได้เลยนะว่าอย่างนั้นคือพระที่มีฤทธิ์มีแต่ว่าที่จะปราบพญามารเนี่ยยังไม่มีตามเดรนี้ก็เลยบอกว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระภิกษุรูปนั้นท่านทำลายอุทกขันอุทกขันนี่คือน้ำทะเลว่าอย่างง่าย แล้วลงเปเดลมิทปราสาทแก้วเจประการจำบรรษาอยู่ในท้องมหาสมุทรก็พูดว่าที่สะดือทะเลที่สะดือทะเลนะเพื่อหลบหนีความวุ่นวายสับสนอนลมานท่านนั่งเข้าฌานสมาบัติอยู่บนลัตนาบัลลังในถ้ากลางปราสาทแก้วนั้นไม่ได้ฉันพัฒตาหารเป็นเวลานานคือเข้าฌานแล้วไม่ต้องไม่ต้องฉันอาหารหรกนะไม่หิวเข้าฌานเนี่ยไม่หิวพระผู้เป็นเจ้ารูปนั้นมีนามว่าพระกีสะ นาคหรือพระกีสะนาคอุปคุตตะเถระกีสานี่คือผอมผอมนะนากนาคเนี่คือประเสริฐอุปคุตตะก็ชื่อท่านคนพระมากนี่นับถือมากเลยพระอุปคุตหรือพระบัวเข็มหรือพระที่ทำเป็นรูปกำลังฉันากาลังเอามือเอามือมือข้างหนึ่งนี่อยู่ในบาท อีกมือข้างหนึ่งแนละ้วอุ้มบาทแล้วมือมือขวาอยู่ในบาทแล้วเงยหน้าเงยหน้าขึ้นนะโอยพร ะ, พร ะ, ะพระอุบาขุนนี่มีรูปอยู่ทั่วไปรูปปั้นอยู่ทั่วประเทศพมา่าแล้วคนทางภาคเหนือก็เชื่อกันว่าวันพุธวันพุธแล้วต้องเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะเขาเรียกพุธเปงเพงพุ ธ, พธหรือเปงพุธนท่านจะมาบินทบาทเพราะฉะนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนถึง ก่อนสว่างเนี่ยคนจะมาใส่บาตรตมาเคยไปเดินครับโอ้ยบอกไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วต่อไปนีนะ้จะไม่เอาเด็ดขาดคือที่แม่องสอนนะี่ยไปเอินไปแล้วมันเป็นเพ่งพุทธพอดีเลยเขาบอกวันนี้ต้องบินทบาทตีสามนะคนเขาใส่บาตรกันโอ้โหมันอีด้าไหนกันเนี่ยนะจะบอกจะได้ใส่บาตรพระอุปคุตจะได้ได้บุญมากท่านจะมาบินทบาทกันตอนเนี้ย แม่ถ้าอุปคุตท่านไม่ชันหน้านะเพราะว่าท่านเข้าชานอยู่นะแต่ว่าคนก้ก็ทำกันแล้วอีกครัง้งที่ที่แม่สายไอ้ น, น, น, น, อ น, ไ น, นั่นก็เหมือนกันเอาก็ไปบินสาบด้วยกันสองยามนะคนก็ใส่กันอีกโอ้ไม่ไหวนะมีทั่วไปทางภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายอะไรแถวนั้นแนตะ่เพราะได้รับอิทธิพลมาจากพมาก่านะใส่บาตรอุปคุตตอนนั้น จริงๆแล้วมันไม่ถูกเรื่องนะมันไม่ถูกเรื่องหรอกนะอ่ามีมีคุณโยมมีเพราะว่าท่านมีชื่อเสียงเรื่องนี้ละโด่งดังมากนะคนนับถืออย่างยิ่งเลยบูชาผู้ปรุณเป็นการใหญ่แล้วเชื่อกันว่าท่านยังไม่บริญนิพพานเชื่อกันว่าท่านยังอยู่ที่สะดือทะเลเน่ยนะแต่ว่าแหมอตมาวันนี้มนท่านมาช่วยปราบปลามพยาบาลไม่สมุนสมุนบาลสมัยนี้หน่อยเดินนะไม่ได้เรื่องเลยนะ ศาสนาจะแย่อยู่แล้วนะหรือแย่ซะแล้วก็ฟังฟังเรื่อง่ันต่อไปก็แล้วกันนี่เล่าเรื่องเกร็ดภายนอกว่าเคยไปบินทบัตทแทนพระอุปคุตเหมือนกั น, นตอนตีสามตอนสองยามจริงๆล้วบูชาท่านได้นะเราก่อสร้างพระเจดียให้เป็นเครื่องบูชาท่านแล้วก็บูชาพระอุปคุตเนี่ยได้ ถึงท่านจะไมนิพานไปแล้วนี่อยู่ที่ไหนเรารู้คุณอยู่ก็บูชาได้ใส่บาตรท่านได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าได้ท่านนี้มานะสารบเดนบอกก็จะสามารถทรมานพยามาลผู้ใจบาปให้แพ้แพ้ไปได้นะ ดังมีเรื่องกล่าวว่าสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ได้ตัดพยากรไว้ว่าต่อไปในอนาคตการจะมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระอุปคุตจกได้ทรมานพยามาณให้ละพยศหมดความเลวลายอมพ่ายแพ้อานุภาพของท่านแล้วจะกล่าวปฏิญญาปฏิญาณปฏิญาณตนนะนะคือคือกล่าวสัจจะแก่ตนนะปราถนาพุทธภูมิคือปราถนาเป็นพระพุทธเจ้า พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่ทราบถึงพุทธยากรนี้บ้างหรือหรือว่าหลงลืมไปจงลองนึกทบทวนดูเถิดนี่สามเณรนีนะ่รู้สึกว่าจะเรียนเก่งแล้วนะ่รู้หมดรู้ว่าพระพุทธเจ้าพยากรไว้อย่างไรอย่างไงก็บอกพระว่าอา้าไม่ได้รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าพยากรอนไว้ว่าอุปคุตจะมาปลาพญามาพระภิกษุทั้งปวงได้ฟังแล้วก็พากันชื่นชมยินดีมีความเห็นเป็นอันเดียวกันว่าต้องตกลงนิมนต์พระอุปคุตมา จึงใช้ภิกษุสองรูปผู้ได้อภิญญาสมาบัติไปนิมนต์พระอุปเครดมาสู่สังฆสมาคมนี้ตามสังฆมะติมติสงออกมาแล้วนะพระภิกษุสองรูปลับหน้าที่เป็นสมณทูตก็ใช้อภิญญาฤทธดำดินไปสู่ปราสาทแก้วของพระอุปคุตตัดเถระบอกให้พระเถระทราบความประสงค์ของพระสงฆ์ทั้งหมดพระอุปเครดก็กล่าวว่า กนะ็กล่าวกับพิสุทั้งสองรูปด้วยกริยาที่แสดงความเคารพในพระสงค์ไม่ได้แสดงอาการขัดเคืองขัดขืนหรือแข็งกระด้างแต่อย่างใดว่ารู้ก่อนท่านผู้มีอายุท่านทั้งสองจงล่วงหน้าไปก่อนเถิดกระผมจะตามไปภายหลังให้ทูตกลับไปก่อนเมื่อทรงพระภิสุสองรูปให้เดินทางไปก่อนแล้วพระอุเบกุทธเถระก็ไปด้วยฤทธิ์ของท่านแต่ไปถึงก่อนไปถึงสังฆสันนิบาตก่อนพระภิกสุสองรูปนั้น เมื่อไปถึงแล้วก็กระทำจ๋ามีจิกรรมในพระสงฆ์ทั้งปวงแล้วก็นั่งในอาสนะที่สมควรแก่ตนพระพิศุตสองรูปมาถึงที่ประชุมสงฆ์เอ้าเห็นพระอุปคุตเถร ะ, ะนั่งอยู่ก่อนก็บังเกิดความแปลกประหลาดใจจึงกล่าวกับพระเถระว่าท่านสั่งให้กระผมล่วงหน้ามาก่อนแล้วบอกว่าจะตามมาทีหลังแต่ฉไหนท่านกลับมานั่งอยู่ในที่นี้ก่อนพวกกระผมอีกนี่แสดงให้เห็นว่าท่านมีมาหิทธิฤทธิ์เหลือล้น ฝ่ายพิสุทั้งหลายก่อนที่จะมอบหน้าที่รับผิดชอบให้อ้อุปคุตเถระก็ได้กล่าวตําหนิซะก่อนนะสงศมากจะฉลาดนะจะต้องลงทันมากกว่ากล่าวตาหนิยังไงบอกว่าดูก่อนท่านอุปคุตท่านไม่ได้ร่วมแสามาคีอุโบสถกับพระพิสุสง์ไม่ช่วยเหลืองานพระศาสนาไปอยู่ใต้ตะดือทะเลอยู่องค์เดียวว่าเข้าชานอยู่องค์เดียวว่าไม่ช่วยกันเลยหลบไปหาความสงบสบายแต่ลําพังผู้เดียวขาดความเคารพในสงเป็นการขัดกับพระพุทธประสงค์ แม้แต่พระมหากัปปิละเถระพระผู้มีพระภาคเจ้ายังตัดติเตียนเพราะเหตุที่ไม่เคารพในสงฆ์ฉะนั้นท่านไม่ท่านสมควรที่จะถูกพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ลงธันดกรรมคือมีพระภิกษุดูเหมือนจะพระมหากัปปิละเนี่ยท่านบอกว่าท่านบริสุทธิ์แล้วท่านไม่ต้องลงปาติโมกขสงฆ์ก็กแล้วกันเพราะว่าท่านไม่เห็นข้อผิดพลาดอะไรเลยนในใ น, ในใกายวาจาใจท่านแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ได้นะต้องมา เพราะว่าเป็นการกระทําของหมู่เป็นการสามัคคีต้องมาร่วมประชุมทําสังฆกรรมเนี่ยเช่นประชุมฟังพระปฏิโมกข์พระกัจจปเตละก็ต้องมาแล้วถ้าเผื่อนิโลดสมาบัติเนี่ยจะต้องอธิษฐานไว้ด้วยว่าพระสงฆ์เรียกแล้ว ต, ต้องออกจากนิโรธแล้วไ ป, ไปเข้าประชุมสงฆ์พราะนนั้นสงฆ์เนี่ยใหญ่ต้องเคารพในสงฆ์สงฆ์ก็บอกว่าจะต้อง ถูกลงธนกรรมล้ถูกลงโทษพระอุบคุตเถระฟังเหตุผลของพระสูตรสงฆ์ทั้งปวงแล้วก็ยอมรับความผิดนั้นด้วยดีพร้อมกับกราบขอขมาโทษพระสงฆ์บอกว่าพระสงฆ์จะลงธนกรรมอย่างใดก็นอมรับธนกรรมทั้งปวงนั้นพระพิสุสงฆ์จึงกล่าวว่าดูก่อนท่านอุบคุตพระพิสุสงฆ์ทั้งหมดจะยังไม่ยกโทษให้ แต่จะยกโทษให้ต่อเมื่อท่านช่วยกระทำงานป้องกันอันตรายถวายแด่พระมหากษัตริย์ได้แล้วนั่นแหละคือพระเจ้าอาโศกมหาราชผู้ทรงเป็นสังฆอุปปัฏฐาทรงมีพระราชาศรัทธาประสานนาการจะทรงกระทำมหากรรมการฉลองพระสถูปเจดียและพระวิหารที่ทรงสร้างไว้ถึง8ป0 0 0แห่งพร้อมกับมหาสถูปในพระนคร น, นี้โดยกาหนดจะกระทาอธิสการะบูชาเป็นเวลาปี7เดือน7วัน ท่านจงรับภาระทุกละป้องกันพยา ม, มารอย่าให้มากระทาอันตรายในการบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งนี้งานนี้แหละเป็นพันธกรรมที่พระสงฆ์หลงแก่ท่านปีนี้เราเป็นปีห้าสิบปีใช่ไหมห้าสิบปีในหลวงคลองราดก็มีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลควรจะมีการบูชาพระเจดีนะควรจะบูชาพระเจดีควรจะทําสิ่งที่เป็นกุศลแก่ชีวิตเราจริงๆไม่ใช่ไปต่อยมวย กายกุศลนะต่อยมวยไม่เป็นกุศล น, นะยังไงก็ไม่เป็นโดยเด็ดขาดนะเดินการกุศลก็เดินให้มีเดินตรงกรมเหมืองั้นละได้เดินแผ่เมตต า, างั้นละได้นะไม่ใช่ทาอะไรเปรอปะปาไปหมดนะนะเต้นลาการกุศลไม่เต้นทำไ ม, มกี่เดชนะไม่เป็นกุศลหรอกถวายก็ไม่ได้นะ <c oughs> รักษาศีลการกุศลอะไรอย่างเนี้ยหรือบูชาพระเจดีย์ซ่อมแซมพระเจดีย์สร้างพระเจดีย์ อย่างนี้ถูกเป็นพระราชาุอลนจริงๆพระอุบคุเทระได้ฟังการลงธนกรรมจากพระพิสุทธิสงฆ์แล้วก็ยอมรับด้วยดีลุกขึ้นกราบท้าพระมหาเทระทั้งหลายแล้วกล่าวด้วยมีข้อแม้ว่าถ้าหากกระผมจะสแสวงหากับปิยะบินทบาทคือบินทบาทอันสมควรและได้ฉันกับปิยะอาหารแล้วก็ อ, อาจที่จะกําจัดพยามารไม่ให้มากระทําอันตรายในการบำเพ็ญบุญกับพระบรมกษัตริย์ได้ อนนัพระบรมศาสดาได้ทรงพิจารณาด้วยเห็นเหตุนี้แล้วจึงพยากรณ์จึงตัดพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตการจากมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าอุปคุจดจะทรมานพยามารให้ละพยศหมดความร้ายกาดขั้นรุ่งเช้าพระเจ้าอาโศกมหาราชเสด็จมาสู่พระอารามทรงถวาย น, นมันสการพระภิกษุสงแล้วถามว่าโยมได้ขอพระภิกษุไว้รูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์สามารถป้องกันอันตรายในการกระทำบุญนั้นได้หรือยัง พระโมกขลีบุติสสะเท е ละผู้เป็นประธานแห่งสงฆ์ทั้งปวงถวายพระพรว่าถวายพระพรมหาวพิธพระราชสมภารพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงหาภิกษุได้แล้วพระภิกษรรุรูปนั้นเป็นนักปราดมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในพระธรรมวินัยพุทธโอวาททั้งสมบูรณ์ด้วยศีลรานจารวัตและมีมหิทตทิริศเหลือล้นจักสามารถป้องกันอันตรายจากหมู่มานที่จะมากระทําอันตรายในการบำเพ็ญพระพรกุศลในครั้งนี้ได้และจะช่วยให้การบําเพ็ญพระราชกุศลของพระมหาวพิธสําเร็จลงได้ ด้วยความเรียบร้อยเป็นอ okay. ันดีขอถวายพระพรพระราชาก็ถามว่าพระพิ pues, ทท immt, สูรรูปนั้นได้แก่รูปไหนมีชื่อว่าอะไรพระเทระยกมือชี้ไปที่พระอุปคุตเถระพร้อมกับถวายพรถวายพระพรตอบว่ามหาปพิษพระพิสูรรูปนี้มีชื่อว่าพระกีสะกีสาก็แปลว่าผอมนะนาคะหรือนาคอุปคุตเถระขอถวายพระพรพระราชาเสด็จเข้าไปใกล้รูปอุปคุตทรงถวายนมาสการแล้ว ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเจลมีร่างกายผอมมากนะจึงทรงดำริว่าพระมหาเจระนี้มีอนุภาพสามารถป้องกันอันตรายได้หรือไม่หนอเออผอมอย่างนี้จะราจะปราบพญามารได้หรือเนี่ยนะนะก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่ทรงน้ัพสการลาพระภิสุสง์เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับแล้วเสด็จกลับพระราชวังพระเนี่ยต้องผอมนะช้างเนี่ยค่อยอ้วนนะ าช้างผอมพระอ้วนเนาะผิดลักษณะแล้วไม่ได้เรื่องแน่พระอ้วนตุยนุ้ยแล้ไม่ได้เรื่องหนะนะรือช้างผอ ม, เ ด, มเดินแนละ้วไม่ไม่สวยอันนั้นต้องพระต้องผอมนะขั้นวันรุ่งขึ้นนะวันที่สองก็คิดว่าพระพราชาคิดว่าต้องทดสอบดูว่ามีลิทานุภาพจริงหรือไม่นะช้างวันนั้นพระอุปรกุตเถระก็เข้าไปบิาบาบในพระราชาวัง เพื่อจะยังพระราชาฤทัยให้ทรงปิติโสบนัณัทพอรับปิตบ่ า, บาจากพระราชาแล้วก็กลับออกมานอกประตูพระราชาวังพระเจ้าอโศกมหาราชก็สั่งนายควานช้างให้เตรียมปล่อยช้างซับมันอันเป็นช้างต้นที่ได้รับการฝึกหัดดีแล้วเพื่อจะทดลองกําลังฤทธาลุภาพของพระอุปคุตเถระดูว่าจะสู้กับช้างของพระองค์ได้หรือไม่ประการใดเพราะถ้าหากสู้กับช้างไม่ได้แล้วจะไปสู้กับพญามารได้อย่างไรแบบเดียวกับที่พระ เทวทัตเอาช้างนาลาคีลิงเอามามอมเล่าแล้วให้ไปทับลายพระเจ้าอ่ะนะในขณะที่พระบุคคลเถละออกกระพ้นประตูพระราชวางังพระราชาก็ให้สัญญาณแก่ในช้างให้ปล่อยช้างพะี่นั่นก็แผดเสียงโกนจนาาคือเสียงร้องอันดุร้ายอ่ะนะแล้ววิ่งไล่ติดตามพระอุคุลเถละด้วยอาการอันดุกดันพร้อมที่จะบทขยี้พระมหาเถระให้แหลกกรานแต่เมื่อช้างนั้นวิ่งมาใกล้พระเถระ พอเงาของช้างนั้นไปปรากฏอยู่ข้างหน้าของพระเถระพระมหาเจระเหลียวกลับมาดูได้เห็นช้างทรัพมันวิ่งไล่ติดตามมาก็นึกรู้ทันว่าช้างเชื่องนี้พระราชาทรงแ้งปล่อยให้วิ่งไล่เราเพื่อจะทดลองดูลิศของเราและหวังจะแสดงลิศนั้นให้เป็นที่ประจักษ์แก่พระราชาจึงอธิษฐานจิตนะใช่อธิษฐานจิตไอ้ทายก็ก็คือตั้งใจคิดนะั่นแหะให้สําเร็จผลอธิษฐานว่าไงเป็นเราจะอธิษฐานยังไงดีนะ ขอให้ช้างนี้จงกลายร่างเป็นช้างศิลาคือช้างหินยืนอยู่ที่นี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วพระเถ้ามหาเจ้ะก็ได้เดินจากสถานที่นั้นไปนะคือคือเขาไม่ต้องให้ช้างมันเจ็บไม่ให้ช้างมันเหนื่อยอะนะฝ่ายช้างพระที่นั่งนั้นพมา ถ, ถึงที่นั้นก็พันหยุดยืนแข็งเป็นหินอยู่กับที่เหมือนกับเอาช้างศิลามาตั้งไว้เลยนะพระเจ้าโศกมหาราชนะ ก็ทรงเป็นห่วงอีกว่าเองช้างจะไปทำลายพระมหาเถระจนถึงกับมรณาภาพเดี๋ยวเราก็บาปตายสินะก็สะเสด็จตามมามาใกล้ถึงที่ช้างยืนอยู่นั้นเห็นช้างยืนนิ่งไม่ไหวติงก็เกิดความพิศวงสงสัยว่าเอ๊ะช้างเนี่ยเป็นช้างมงคลบริบูรณ์ด้วยลักษณะต่างๆทำไมไมายืนแน่นิ่งร่างกายไม่เคลื่อนไหวเหมือนกับลูกช้างศิลาโ อ, อานุภาพของพระมหาเถระช่างหน้ามาราศเจนแท้นะ ทรงโสมนัสและจินตนาการว่าพระรูปนี้หมดความกังวลเรื่องนี้แล้วนะก็สะเสด็จตามมาด่วนเลยเพราะว่าช้างยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนะก็มาทันพระอุปคุตแล้วอภิวาทขอขมาโทษกับพระหมหาเถระว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้ า, จ, าจงอดโทษให้แกโยมด้วยเถิดการที่โยมกระทําครั้งนี้ไม่ได้ปรารถนาจะเบียดเบียนพระผู้เป็นเจ้าแต่กระทําลงเพื่อจะทดลองดูลิตรของพระผู้เป็นเจ้าให้ป็นจัก และโยมก็ได้เห็นแล้วไม่ต้องเชื่อคําบอกกล่าวเล่าเรื่องผู้อื่นอีกพระพุทธเทละจึงกล่าวถวายพระพรว่าถวายพระพรมหมายว่าพิษอธรรมาภา พ, าพก็ไม่ได้ถือโทษอย่างไรเลยขอมาาพิษจงมีความสุขสวัสดิ์วัฒนาสถาพรและโคชะสารพระที่นั่งนั้นจงมีความสุขแล้วกลับไปที่อยู่ของตนตามปกติเถิดนะด้วยการพูดแค่นี้แหละช้างก็ไม่ต้องเป็นช้างหินแล้วนะกลายเป็นช้างเหมือนเดิมช้างก็เคลื่อนไหวได้เดินกลับไปสู่โรงช้างอันเป็นที่อยู่ของตน สมัยนี้จะทดลองว่าใครเป็นพาระรหันต์เอาช้างมาบ้างนะเอาช้างมาบ้างแนวสงศัยสงศัยจะไม่ไปใดเรื่องกันนะสงศัยว่าจะโดนช้างเหยียบตายกันบ้างนะในการนั้นมหาชนผู้รู้เห็นเหตุการณ์ก็บังเกิดความประหลาดใจเพราะว่าอิทธิปฏิหารของพระอุบคุตเถระเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ชาวโลกพระเจ้าโรกมหาราชเมื่อได้พระอุปคุตเถระมาช่วยป้องกันแล้วก็มีพระไทยปัทนาจะกระทาการาและ คือการฉลองพระมหาสถูปเจดีย์ที่สงสร้างไว้ในดิบฝั่งแม่น้ำคงคาและพระวิหารตลอดกระทั่งพระมหาเจดีย์ทั้งหลายพอถึงวันกำหนดงานฉลองพระเจ้าโศกมหาราชเสด็จพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มหาเสนาบดีอมรทั้งหลายเศรษฐีพราหมณ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนประดับตกแต่งร่างกายด้วยสัพพะอภร อ, น, อนวิจิตการตา มีมือถือเครื่องปูชนียพันธ์ต่างๆเช่นดอกไม้ทูบเทียนของหอมเป็นต้นแล้วมีคณะดุริยางดนตรีนานาชนิดมาร่วมประชุมกันประโคมเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนราน พ, พระมหาสถูตรเจดีย์คือถือว่าองค์พระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นก็ไปบูชาบูชาด้วยด้วยด้วยเสียงดนตรีรรมอยู่นะต้องตีกลองเป่าปีกันก่อนบูชาพระพุทธเจ้าซะก่อนแล้วก็จะบูชาด้วยของอื่นๆอีกมากมาย ขบวนเสด็จของพระเจ้าอโศกมหาราชคล้ายกับขบวนเสด็จของพระอินที่ห้อมล้อมด้วยเทพโพธิษัตวเสด็จมาสู่ลานพระจุลามณีเจดีสถานฉะนั้นคือพระเจดก็ไปบูชาเจดีเจดีบนสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยจุลามณีเจดีมีพระเครื่องแก้วอยู่เนี่ยก็เหมือนกันกับพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกตัดสั่งให้ทําบริเวณสถานที่รอบๆพระมหาเจดีนั้นเป็นที่กว้างประมาณครึ่งโยชน์แกิโลนะ และตามริมฝั่งแม่น้ำให้จุดประที่เป็นอเนกอนันต์ น, น, นับไม่ถ้วนจนทำให้บริเวณนั้นชดช่วงมองดูแล้วสว่างเหมือนกลางวันเขาบูชากลางคืนบูชาตอนกลางคืน